การนั่งสมาธิให้พาการ น, นั่งขับสมาธิการนั่งขับสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตังใายให้เที่ยงตรงเรียบร้อยแล้ว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 รู้จักทาบุญให้ทานู้จักรักษาชิ้นห้าชิ้นแปรู้จักรักษาชิ้นสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดจักทาบุญให้ทานู้จักไหวพระสวดมนต์ู้จักเจริญสมาธิภาวนาที่เราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนา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 พระองค์ออกบวชแล้วไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าเขาหิมาลัยค่ำคูหาที่ไหนที่เป็นที่เงียบสงัดเขาหิมาลัยประเทศอินเดียป่าหิมาพานลึกพระองค์ไปปฏิบัติภาวนา ค้นคิดพินิสิิจารณาเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบรารมีมามากนายนับได้ว่าสี่อสงไขยแสนมาหาจัก์นับตั้งแต่ได้ลัทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง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 เมื่ออายุยี่สิบเก้าปีก็สเสด็จออกบรรพชาาวนาอยู่ในเพศสมณนะเพศลูษียังไม่ได้ตรัสรู้เป็นสัพพุทธเจ้าโยมาได้หกพันสาล่วงแล้วหรือว่า่านหรือดูฝนไปหกปี พระองค์จึงสเสด็จลงมาทางภาคกลางอินเดียที่สมัยนี้ว่าคุท ธ, ธกยาจังหวัดคุธทะกยาเมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำเนลัญชลามีต้นไมโพต้นหนึ่ง <c oughs> ตามตำนานว่าต้นไมโพต้นนั้น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 จะไม่ลบไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสโลเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสโลเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วยอมตายในที่นั่งนี้สัจจาอธทีฐานพระองค์ตั้งลงไปแล้วกิเลสมานสังขารมานความเจ็บปวดทุกขเวทนาใดๆยอมโซ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 เรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่พระพุท ธ, ธเจ้าจะได้ตัดความโกรธตรัดความโลภตัดความหลงจะได้ตรัสสรูเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าเชียทตีทีนี้พระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดดีเมื่อพระองค์เลือกดูแลวก็ได้ความว่า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 นามหมายถึงใจถึงจิตจิตนั่นมีอาการขี่อย่าง เ, าเวทนาเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาจำหมายสังขารตรงแต่งคิดนึกวิญญาณเมื่อคิดนึกอะไรก็โลตามอาการนั้นให้ชื่อว่านามธรรม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 ดวงปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดในน้ำประไทยใจพระพุทธเจ้า ก, ก็สว่างแจ้งภายในในคืนวันนั้นเองจิตใจของพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสความโกรธได้หมดสิ้น ละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจให้หมดสิ้นละกิเลสความหลงในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไปเมื่อจิตใจของพระองค์ละกิเลสลาคะโทสะโมหะหมดสิ้นแล้วล้อมทางวาสนา คือกิริยากายวาจาใจอันใดไม่เรียบร้อยก็องค์ก็เรียบร้อยหมดเรียบร้อละกิเลสด้วยละวาสนาด้วยในคืนวันนั่นเองเนและสมาธิภาวนาเป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจา้าไม่ใช่พวกเรามาคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้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 เป็นพระสักจิธาคามีผลเป็นพระอนาคามีผลเป็นพระอาราหันตตาหมดกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะท่านนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูบชาเดินจมกลมทำความเพียรเพื่อละกิเลสจริงๆพระษาวกเจ้าทั้งหลาย ก็ได้ชีวะละกิเลสหมดสิ้นได้การละกิเลสในสมัยโน้นไม่เฉพาะว่าเป็นนักบูตรจึงละกิเลสได้แม้จะโยในคารวาญาติโยมท่านก็เลิกได้ละได้ภาวนาได้เพราะการปฏิบัติภาวนานั้นเป็นของสำคัญในสมัยก่อนโน้น ตกมาสมัยนี้มักจะเข้าใจว่าไม่สำคัญอย่างอื่นสำคัญกว่าเจตใจจึงได้มกมุนอยู่ในกิเลสกามวัติวัตถุกรรมจึงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่อย่างนี้ไม่มีติสินสุดเมื่อเราทุกคนได้มาสู่สถานที่ปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วนี้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 ไปรู้ในใจที่เราได้ยินเสียงน่คือว่าจ็ดดวงผู้รู้อยู่ในนั้นแหละก็ให้ตั้งจิตดวงนั้นแหละให้สงบนิ่งแนวเป็นดวงเดียวระวังไม่ให้มันคิดออกไปภายนอกให้มันรวมเป็นดวงเดียวสงบละงับตั้งมั่น จึงจะเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในจิตใจของเราทุกคนนี่เป็นหลักปฏิบัติภาวนามาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนบัดนี้เวลานี้การนั่งสมาธิภาวนาก็มีอยู่แต่ผู้จะปฏิบัติภาวนายกเนสมัยนี้มันมีน้อยไม่มาก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 เย็ดใจมันก็ไม่สงบไม่เป็นดวงเดียวเมื่อใจไม่สงบมันก็ไม่รู้ทางมีแต่ทางหลงมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นในที่ทางพวงไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางในหัวใจเย็ดใจมันก็ทุกร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะวุ่นวายโยอย่างนั้นเอง เมื่อมาถึงเวลาเหล่านั่งภาวนาโดยเฉพาะในถ้ำภูหาถ้ำผาปล่องนี่นับว่าเป็นโอกาสทันดีอากาศก็เย็นสบายอากาศก็เป็นอากาศท่านสูงไม่มีฝุ่นละอองใดๆเจตใจของผู้ตั้งใจภาวนาก็จะผ่องใสสะอาด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 เสียงพุทธโยที่ไหนจิตใจก็ให้มั่นคงลงไปที่นั้นให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ต้องเกี่ยวก่ะกังวลกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจงทำจิตใจดวงนี้ให้แน่วแน่มั่นคงลงไปโู่จิตใจของตนให้ได้จิต <c oughs> ใจคนเรานั้นมันมากแต่อาการ เมื่อรวมเข้ามาแล้วมันมีอันเดียวถ้าทาจิตใจนี้ให้เป็นดวงเดียวภาวนาอยู่สงบอยู่แน่วแน่อยู่แล้ว่เป็นเอกลงจิตกลางเป็นจิตดวงเดียวเมื่อทาจิตให้เป็นดวงเดียวแล้วปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสตรขณนี้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 คำว่าอนิจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนจิตใจที่สังบรบ น, นั้นเลยมันจะเห็นในกก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูเวลาคนเราเกิดมาทีแรกเป็นทารกเป็นเด็กน้อยนิดเดียวเพราะความไม่เที่ยงนั่นแหละ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 ทีนี้เมื่อมันจเจริญหมดขีบแล้วก็มีการทำรุดชุดโสมเรียกว่าแก่ะลาคนที่สดผ้าอายุหกสิบเจ็ดสิบไปหนะ้าจนถึงร้อยปีแล้วก็ต้องตายแน่ๆมันแสดงให้เห็นอยู่อย่างนี้เมื่อเจตของฟูใด้ตั้งมั่นแล้วมันก็มองเห็นได้รู้ได้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 เพราะถ้าเกิดมาแล้วเรารู้แต่วันเกิดวันตายไม่มีใครรู้แต่มันตายแล้วเมื่อใดนั่นแหละก็รู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้ว น, นั่นแล้วรู้ทีหลังในเวลาภาวนาท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจตรงนี้ลงไปถ้้มันเห็นแจในจิตไม่ใช่ว่าผู้อื่นบอกให้สอนให้จึงเห็นแจ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 มีจิตใจอันตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่มีจิตใจอันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดไปนี่ว่ามั่นคงในใจใจไม่หลงใจไม่ลืมใจไม่ยึดหน้าใจไม่ยึดอาใจไม่ยึดเราไม่ยึดของของเรา มีความเพียรอันตั้งลงไปทีเดียวในใจิตใจนั้นแลียว่ามีความเพียรเป็นพื้นฐานเพียรละกิเลสอันใดที่เรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้เพียรละออกไปให้มันหมดทิ้นเพียรรักษาคุณงามความดีที่ตนได้รักษาปฏิบัติมาไม่ให้มันเสื่อมชิ้นสูญหายไป เพียนชำละจิตใจดวงที่รู้อยู่ในปัจจุบันอันนี้ให้ในความสงบตั้งมัน่นให้ท่องใสสะอาดไม่ให้คุณคล้องมองใจด้วยความโกรธความโลภความหลงในจะต้องอาศัยความเพียนความเพียนนี้คือความหมั่นความขยันความไม่ทอแท้อ่อนแอในหัวใจ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 ถ้าจิตใจภาวนาบทใดข้อใดแม้จะเป็นพุทธโธพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าคําเดียวนี่แหละเมื่อมีความเพียรเต็นที่ความเพียรเพ่งอยู่ความเพียรพยายามอยู่เพียรรักษาที่เราทําได้ปฏิบัติได้อันใดที่ดีมีประโยชน์ก็เพียรรักษาไว้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 นี่แหละจึงจะได้ปัญญาได้วิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเจตใจจะได้มีกำลังมีความสามารถอาจถามในการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่วันนั่งก็ภาวนาในใจพุทธโธในใจจะเป็นธรรมโมสังโฆอุบายใดๆ ไ, ไ, ได้ทางนั้น หมายถึงว่าจิตใจให้มันตั้งมั่นอยู่ในดวงใจงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนรูปนามกายใจตัวตนคนสัตว์ทั้งหลายมันเต็มไปด้วยทุกมีทุกอยู่ตลอดกาล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 ชื่อว่าปฏิบัติบูชาพาวันาชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียริรยเยนทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรเราทุกคนจิตใจทุกดวงใจต้องการความพ้นทุกข์ยในโลกในวัฏสงสารต้องตั้งความเพียรลงไปในจิตใจนี่ เราจะไม่ทอแพกอ่อนเอในการปฏิบัติบูชาเราจะมีความเจียนความหมั่นความขยันมีความอดความทนมีปัญญามีความรู้ความฉลาดถูกต้องตามทรรนองทองธรรมชื่อว่าภาวนามไม่ให้ขาดระยะนอนอยู่ก็ภาวนานั่งอยู่ก็ภาวนาเดินอยู่ก็ภาวนา เดินโยก็เดินจมกร ม, มภาวนาตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่มั่นคงเด็ดขาดลงไปในจิตใจนี้ในจิตใจของเรานั้นไม่มีใครที่จะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตักใบว่าอัตตาหิอั ต, อตโนนาโถ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 เนียว่าความเพียนความมันความกยันความเป็นผู้มีผนังปัญญามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถอาหารตัดบ่วงห่วงอะไรที่เลสตันหาภายในจิตใจของตนให้มันหมดสิ้นไปจนถึงจิตใจอันสงบระงับเย็นสบาไม่ติดข้อง ทัวพันในที่ทางปวงเรียกว่าภาวนาทำความเพีนรละกิเลสไม่ว่าจะโยในเพศใดวัยใดไม่เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่เลือกว่าเพศครหภ์เพศนักบวชจะโยในเพศพันวันณนะวัยใดก็าตามมันขึ้ือนโยกับจิตใจที่ภาวนาตั้งใจ มีสติเต็มที่เป็นมหาสติประธานละลึกโยในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อมีความ ล, ลึกโยอย่างนี้ตั้งใจปา ร, รบความเพียนอยู่ในดวงจิตดวงใจแล้วเจตใจของบุคคลผู้นั้นก็ย่อมมีความตั้งนั้นไม่วันไหวไม่ลหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตทั้งปวง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 ไม่ให้มีความขัดเคืองในาใจังตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเลิ้นลิ่มลดกายถูกต้อนโทกะัะทะใจชิดรรมรรมไ ด, ได้ก็ไม่ยอมให้จิตใจไหวหวั่นท่านพึง่งเตือนจิตใจดวงรีวะชีวิตเป็นของแตกดับชีวิตเป็นของตาย เดี๋ยวนี่ที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตลมหายใจอยู่คือบนกุศลยังรักษาไว้อยู่ให้เราได้ปฏิบัติบูชาภาวนาไปอีกไม่นานภายในร้อยปีนี่แหละบรรดามานุษย์คนทั้งหลายที่เกิดมาแล้วต่ถ้างมันจะหนีจากทุกข์ได้ มีโลกนามกายใจอยู่ที่ไหนในตัวบุคคลนั้นมันกับเต็นไปด้วยทุกข์เต็นไปด้วยโทษเต็นไปด้วยความหลงมาหลงกีเลตเล่านี่ยอยู่คือพบกีอา่าแล้วพระพุทธเจ้าผู้ปรัศรู่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระองค์รู้แจ้งโลกไม่หลงโลกไม่หลงกีเลสทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจอีกต่อไปพระองค์เล็งยานไปข้างหลังว่าพระองค์มาเกิดมาตายมากมายเท่าไหร่เมื่อเล็งยานไปข้างหลังที่เป็นมาแล้นวนับไม่ถ้วน เสดที่นั่นตายที่นั่นแล้วก็ไปเสือที่ใหม่ตายที่ใหม่ต่อกันเลือกไปยังได้ความว่าอภเนกชาตอว่านับพบนับชาตไม่ท้วนมันมากมายที่หลังไปแต่ว่าข้างหน้าพอมาถึงขั้นพระองค์ได้ตาัสรูแล้วมันก็หยุดแค่นั้นไม่ไปอีก เพราะพระองค์รู้เท่าลู้ทันแล้วอิเลมานสังขารมานพระองค์รู้เท่าทันก่อนใครทั้งหมดในโลกทั้งในโลกมนุษย์มนุษย์กัโลกทั้งในเทวโลกพระองค์ก็ไม่หลงทั้งพรมาโลกพระองค์ก็ไม่ลงพระองค์งงรู้เท่าทันหมด ดับกิเลสันหามานะทิฏฐิจนหมดสิ้นเรว่าดับที่แลความโกรธได้ดับที่แลความโลภความอยากได้ดับที่แลความหลงหมดขึ้นพระองค์แจ้งซึ่งมิผ่านจิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นในสาตในตะกูลในตัวในตนใน อะไรต่อมิอะไรจึงชื่อว่าพระพุท ธ, ธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุประสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าขึ้นในโลกแล้วต่อมาพระองค์ก็เทศนาว่าตาโทรตันจาวกีเลสีทั้งห้าชื่อตาอิิ ปัตตนะมลึกจพายวันเมืองพาลานาสีแสดงปถมเทพศสนาทรมาจากสรระวัตนาโซจบลงไปพระอัญญากนดัญญาก็ได้บรรลุธรรมโสดาปติผลต่อมาพระองค์ก็ตัดอนัตตลัคณาโซ ทำให้ปล่อยวางลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลให้กำหนดพิจรารณาขันห้าให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจนปล่อยวางตัวตนไดน้ทั้งทั้งห้าก็เป็นพระอาราหันตตาที่นาสดยกรมมาจันไปพระองค์ก็จัดสาวกทั้งห้าองค์ ไปเผยแพ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นตัวพระองค์เองก็โรดสไปองพระองค์เององค์เดียวมารุษและเทวดาอินพรหมทั้งหลายก็มีความยินดีพอใจในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ ว, ว่าเรื่องสายวิเศที่ พระองค์ที่แจงสแสดงอย่างไรก็ตั้งใจประเัติตปฏิบัติตามผลที่สุดมนุษย์สมัยนั้นพร้อมทั้งเทวดายินชมไม่เลือกทัานวันนะได้สาเร็จตั้งแต่โซโดาปฏิผลจนถึงอรหัตผลก็เป็นอันว่าจบพรหมจันท์ ไม่มีความยึดหน้าถือตาไม่มีความยึดตัวถือตนไม่มีความยึดเรายึดของของเราภาวนาทำความเชื่อง่า้อดถอยยากโยมก็ภาวนาละกิเลสได้เหมือนพระสาวกเจ้าทั้งหลายพระสงฆ์สา ม, มัญเนนก็ภาวนาไม่ทอถทุละไม่เหมือนพระเทวทัพ พระเทวทัพนั้นมีตั้งแต่ขัดข้ามพระพุท ธ, ธเจ้าจะฆ่าพระพุท ธ, ธเจ้าตายผลที่สุดพระเทวทัพเมื่อแกฆรามาแล้วก็ให้ลูกศิดหามมาจะมากราบพระพุท ธ, ธเจ้าว่าเรานั้นมีแต่จะทำขัดข้ามพระพุท ธ, ธเจ้าจะมาขอโทษขอปลยให้ถึงจะเริมมาไม่ถึงพอมาใกล้จะถึง โลกศิษก็ปงหากปงหามลงไปแทนดึงทั้งนาสองแสนสี่หมือนยอดอยู่ไม่ได้แยกเป็นสองภาค พ, พระเทวทัพก็ตกลงโศเอาเดยกีหมหาลบง่นือว่าพระเทวทัพไม่ปฏิบัติธรรมเมื่อแต่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิต ด, ด้วยใจผลที่สุด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 ลงพากันลุกขึ้นโยนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจไม่ไง่าได้เอาจกนกำชัยชนะได้เหมือนภาษาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุธธทธกาลฝังไม้น้อมท่านมีความตั้งใจมั่นไม่วันไหวไม่กลัวนัด ก, กลัวเหนื่ยกลัวเมื่อยกลัวหิวนั่งภาวนาก็ได้นานนั่งจนระกิเลสได้ เดินจงกรมก็ได้นานนานจนละกิเลสได้ในทางจงกรมตัดกิเลสได้ในทางจงกรมท่านเอาจริงเนืพระนมองังเป็นลูกเศรษฐีมาบวชในศาสนากว่าจนลาบิดามารดาผู้บางเถื่อเจ้าก็ยากทีนี้มาบวชใหม่ ก็ง่วงเหงาหาวนอนท่านก็ไม่นอนท่านเดินจมกลมอ่ะเดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธจะเอาให้ได้สาเร็จเดินจนกระทั่งว่าหนังเข้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ความเจียนของท่านก็ยังไม่หยุดเมื่อเดินไม่ได้ทำยังไงท่านก็คาน คานในแผ่นดินเอาเข้าทั้งสองลงไปมือทั้งสองข้างภาวนาพุทโธคือม่นนยอมมุ่งไม่ยอมหลับภาวนาให้มันติดต่ออยู่ในใจแต่เมื่อคานเข้ามันก็ไม่หยุดง่ายๆค้างอยู่นั้นภาวนาพุทโธด้วยไปเข้าแตะเอวเลือบไหล มือก็เลือดไหลออกมาทำอย่างายบ้าแต่ความเพียรของท่านยังมีใจของท่านในท่อคอยทีนีอท่านกับนอนขวางนอนในพื้นแผนดินขวางทางจงกรกุ้ั่งกลานวันกลุ้งไปกลิ้งไฟภาวนาพุโทโธคือว่าให้ใจมันหลับได้สติสตังก็ตามรักษาจิตอยู่ภายใน จนสดทางจงกรมกบกรุ้งกลับมาสดทางจนงกลมกบกลุ้ ง, ง, งกลงับไปภาวนาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่าเระว่ากานตื่นนอนเนยมันไม่มีไม่มีแตกที่ไหนแล้วมันหนักเท่าๆกันจงได้สําเร็จในเดินจนกลมแบบซึ่งนอนไป มีเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามมันเนนผ่าขาวนางชีถ้าหาว่าทําความเทียนขนาดหลวงที่องค์นั่นแล้วรับรองว่าได้สำเร็จทุกคนที่นั่งอยู่นี้เอาดูเิดโดนจนเข้าแตกเลือดไหลคานจนเข้าแตกมือแตกเลือดไหลคานไม่ได้นอนรุ่งเอา องนั่นกันเอาสำเร็จได้เราอย่าไปตัวตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันไม่ตายีิเลกมันโกโหกพกลมเราไม่รู้จิตใจของเรามันสับปลูกที่จุกไปเชื่อมันนั่งภาวนาลูกเดียวฟัควงคำแล้วเป็นนั่งภาวนาเอาจนจิตสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิ เป็นสมาธิแล้วเอาจนเกิดปัญญาโกิดปัญญาล้วเอาจนเกิดญาณอันวิเศษละทีเลตราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราให้หมดไปสิ้นไปเสียก่อดจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ทำอะไรอะไรก็มือติกลัวไม่ได้นอนกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้นอนก็เลยตุ๊บอยู่แค่นั้น ดังนั้นต่อไปให้ภากันสร้างพลังงานในจิตให้สา ม, ม า, า, ารถถานสารลรุกถึงพระบรมศาสดาอาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากรจึงได้กลับสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภาติปัจจุบัน ไม่ใช่พระองค์นั่งนั่งนอนนอนเดูยก็ได้สาเร็จไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์บังเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีสามสิทัศบารามีสิประการทานการให้การบริจาค พ, พระองค์ก็ทําได้เต็มที่ศีลรักษาศีลห้าศีลแปดขึ้นไปก็ทำได้แม่ขรัรมบารามีออกบวช ไม่กังวลอยู่แค่คารวาอยาโลโยมพระองค์ก็ทำได้ปัญญาบาลามือฝึกจิตใจของพระองค์ให้มีปัญญาสอดส่องในการประสุิปฏิบัติของตัวเองพระองค์ก็ทำได้ยยลยะ